ก็ธรรมเทศนาแผ่นที่7จ็ดสิบดับที่20สโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดอรธานีแสดงธรรมในวันที่30มิบถุนายน2558มีชื่อเรื่องว่าร่างกายนี้ไม่มีทางยั่งยืน วันนี้เป็นวันที่ส0มิถุนายนพุทธศักราช2 5 5พวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเดือนมิถุนาวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งกรกฎาแล้วก็สิ้นเดือนกรกฎาวันที่หนึ่งสิงหาเป็นวันเข้พาพรรษาสรุปแล้วก็คืออีกสักหนึ่งเดือนจากนี้ไป เป็นวันเข้าพรรษาของพระแล้วก็ให้พวกกุบาทั้งหลายผู้มีหน้าที่ให้ช่วยๆกันแต่หลวงพ่อก็ทราบมาแล้วะเพราะศรัทธาญาติโยมชาวบ้านเขาก็มาช่วยอย่างดีตลอดสำหรับผู้สูงอายุเขาก็มาทำทางเดินยมกลมมาปรับสถานที่ตกแต่งกิ่งไม้ ม่ให้มันมาเฟื้ย ใ, ใส่หลังคาที่พักของพระกุฏิที่พักของพระเพื่อมาให้หมดลงมาที่กุฏิของครูบาที่พระตามล้านต่างๆตลอดทั้งทางเดินเข้าไปกุฏิแล้วก็ที่พักพาอาศัยมาให้หมดขึ้นกุฏิของพระ แล้วก็ทางเดินจงกลมโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางเดินจงกลมหลวงพ่อเน้นหนักทางเดินจงกลมพระวัดมาจําพรรษาต้องเดินจงกลมเพราะนั่นทางเดินจงกลมหลวงพ่อทําไว้ทกหลังทําไว้อย่างดีอีกต่างหากจับทางดินถมกรบดิน ให้เดินได้สะดวกสบายเดินภาวนาเพราะนั้นที่พักกุฏิที่พักทุกหลังขอให้พวกเรากูบาทั้งหลายให้ช่วยช่วยกันดูหนะ้าพระเก่าทั้งหลายให้ช่วยกันดูหลังไหนที่มันไม่ดีก็เป็นหูเป็นตาช่วยกันดูทางเข้าทางออกแล้วก็หลังคากุฏิ เพราะว่าดูดูละพระค ง, ง, งจะมากอยู่ปีนี้แล้วก็หลังไหนที่มันมีต้นไม้เฟื่อยเข้ามาก็ตกแต่งกิ่งต้นไม้แต่จะไปตัดนะ เ, เราบอกพระให้ไปดูทําความสะอาดตัดตะพัดตะพืพ้ผนผลสุรหน้าแรงก็อยู่ไม่ได้อพอหน้าฝนตัดออกมาแล้วหน้าแรงอยู่ในเผ่นนี้ไปอยู่ที่อื่นนั่นแหะความโง่ของพระของเราเนี่ย พอถึงหน้าฝนมันก็มันก็อึดอัดชักหน่อยเพราะว่ามันหน้าฝนใบไม้ ม, มันก็หนาแน่นพอตกหน้าแรงเราต้องเผื่อหน้าแรงด้วยพอตกหน้าแรงไม่มีใบไม้เนอยู่ไม่ได้เลยเพ่นไปหาตน้นไปอยู่ต้นที่ไปหาอยู่หลังที่มีต้นไม้ต่อไปก็พอตกหน้าฝนก็จะคงจะตัดเอกนี่แหละความไม่รอบครอบความ เห็นหลวงพ่อเห็นแล้วยังพูดนะลักษณะอย่างนี้เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะอยู่กุฏิหลังไหนการตกแต่งกิ่งไม้ต้องระมัดระวังเราต้องเผื่อหน้าแรงด้วยถ้านหน้าแรงไม่มีใบไม้จะเป็นยังไงแต่เปียงลงมาใส่รรสันกรสีใส่กระเบื้องมันอยู่ไม่ได้แล้วมันร้อนอย่างน้อยกนมันเปียงลงมาใส่ใต้นไม้ใบไม้ซะก่อน ลองอันดับหนึ่งจากนั้นก็มันก็แดดมันก็ส่องลงมาใส่สังกสีรือใส่กระเบื้องพอล่ำลามันก็ไม่ร้อนทเท่าไหร่มันยังพอทนไหวสิ่งเหล่านี้แหละให้พวกท่านทั้งหลายคิดเคหะวิทยาเนี่ยหลวงพ่อถ้าไม่จาเป็นหลวงพ่อจะไม่ให้ตัดออกนะต้นไม้คงรังคากุฏิเว้นเสียแต่ว่ากิ่งไหนมันเฟื้อยลงมา ถูกหลังคานั้นทำให้หมดดำมดแดงลงมาในหลังคากุติจากนั้นก็มารบกวนพระที่พักพาอาศัยอยู่ น, นั้นเราต้องเอาออกกิ่งที่มันเฟื้อยลงมานี่แหละให้ช่วยๆกันดูนะสถานที่แต่ถนนยังไงถน น, ถนนหนทางเราทำดี ล, ละละถนนสายเมนทุกหลัง เวลาจะเดินลงมาก็ให้ระมัดระวังแต่ว่าในวัดของเรามันก็คงไม่มีอะไรหรอกพวกงูพวกงูรู้สึกว่าน้อยมากเพราะเหตุไรเพราะถนนเราดีถนนเรามีเป็นคอนกรีตนุกงนะูมันไม่ชอบหรอกชอบทางโลง่ลงๆเพราะนั้นเราต้องปัดกวาดผัดปัดกวาดทาความสะอาดช่วยๆกันปัดกวาด เป็นจิตจลักษณะแต่หลวงพ่อก็ได้บอกแลนะ้วไงเจ็ดค่ำสิบส่ค่ำให้ปัดกวาดพร้อมกันทั่ววัดให้เป็นหน้าที่ของทุกองค์ใครจะเอาปัดกวาดไปสายไหนให้ช่วยกันดูถ้าเราไม่ปัดกวาดมันดูๆแล้วมันไม่น่าดูมันเศร้าหมองแต่เราปัดกวาดถ้าพร้อมกันปัดกวาดก็ไม่เห็นจะหนักหนาไม่หนักหนาหรอก ถ้าช่วยกันเพราะ น, นั้นให้ช่วยช่วยกันปัดกวาดทาความสะอาดอันนี้ก็เตรียมจวนจะเข้าพรรษาเดือนหนึ่ง เ, เตรียมไว้แต่เนิ่นๆไม่ใชยว่าใกล้ๆแล้วยังค่อยมาทําปรุงปรั บ, ปปบก็ทําให้พวกเร า, เาไม่ผาสุขเหมือนกันเพิ่มเพิ่มศรัทธาญาติโยมด้วยพระสงฆ์ด้วยทําให้ไม่สบายใจ เพราะนั้นถ้าเราทาก็ทำไปเรื่อยๆคนผู้สูงอายุผู้เฒ่าผู้แกในบ้านก็อนเออเอ้าวันวันไหนว่างเขาก็ไม่ใช่ว่างทุกวันถ้าเราเรียกมาเอาพระก็เป็นหัวหน้าไปทำความสะอาดปัดกวาดตามเสนาชนะที่พักพาอาศัยของพระสงฆ์สุปแล้วก็ล้วนแล้วจะเป็นบุญเป็นกุศลทั้งหมดนั่นแหละที่หลวงพ่อพูดนี่นะ สําหรับผู้สูงอายุผู้เฒ่าผู้แก่ชาวบ้านก็เป็นการสร้างบารมีสร้างบุญสร้างกุศลหาได้ที่ไหนเราก็ทำทำความสะอาดแล้วก็ครูบาอาจารย์ก็เดินโยกลมนั่งภาวนาในที่พักพาอาศัยของเรามันก็เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลสําหรับผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งหมดนั่นแหละจะเอาบุญที่ไหนถ้าไม่เอาอย่างนี้ ดันันให้พวกเรานะพวกพระก็เหมือนกันเมื่อเข้าไปอยู่กุฏิแล้วก็ปฏิบัตินั่งภาวนาอย่าไป น, น้องไปคุยกันไม่ได้นะกุดลังหนึ่งไปนอนสองไม่ได้ต้องนอนองค์ละหลังอันนี้คือพระกรรมฐานเรากลัวอะไรไม่มีอันจะกลัวผมอยู่ที่นี่หลวงพ่ออยู่ที่นี่หลวงปู่หลวงตาอยู่ที่นี่ไม่เห็นมีอะไร เรามาทําไมมันเห็นมีอะไรมีอะไรไหมถ้ามีอะไรก็บอกม า, ามาบอกหลวงพ่อนะแต่ไม่มีอะไรรนะมีแต่ความนึกคิดตัวเองเท่านั้นแหะนึกขึ้นมาแล้วก็กลัวเท่านั้นะเอะกลัวลมกลัวแรงกลัวความมืดบงังกลัวตุกแกจิ้งจกบงังมันไม่ได้เรื่องทั้งหมดนะ่ครูบาอาจารย์สมัยรุ่นเก่าๆหลวงปู่สาวหลวงปู่มั่น หลวงตามหาบัวนะท่านกลัวช้างกลัวเสือเออมันก็น่ากลัวเพราะมันตัวใหญ่กลัวช้างอะอย่างนี้นั้งกลัวเสืออีกเสือมันก็มีอันนี้มันไม่มีอะไรกลัวแมลงมุมบกลัวต๊กแกบอกลัวจิ้งจกเออมันหมดท่าจริงๆเลยกรรมฐานรุ่นสุดท้ายปลายแดนสุดท้ายภายหลังมันมีอันจะกลัวกลัวแมลงมุมก็กลัวอกลัวต๊กแกก็กลัว ้างคกก่อกลัวมันไม่เห็นจะมีอะไรถ้ากลัวงูเอองพอมีเหตุมีผลแต่งูก็เถอะมันก็ไม่ใช่ว่าจะกระโดดมาหาคนมันก็กลัวคนยิ่งกว่าอะไรอีกพอเห็นขึ้นมาแล้วนะมันเห็นคนมันก็รีบหนีเหมือนกันเว้นเสียแต่คนไปไล่มันไปแยงมันเออมันก็ต่อสู้บ้างเพื่อเอาตัวรอดของมัน กันนอกนั้นก็ไม่มีอะไรในี่ยแหสัตว์ในวัดของเราก็มีเพียงแค่นั้นละ่ะพาลูกพาหลานทุกองแล้วก็ให้อยู่ในกิจจวัดขววัดตัง้งอกตั้งใจภาวนาของใครของเราเรามาปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าดงพงไพ่อย่างนี้เรามาเพื่ออะไรให้ถามตัวเองเราไม่ได้มาหาอยู่หากินหาความสะดวกสบายาไม่ได้มาหาความสุขสิ่งภายนอกถ้าเราหา ความสุขในสิ่งภายนอกนั่นนะเราไม่ต้องมาเราอยู่ในเมืองในกรุงอยู่ในวัดในบ้านอันนั้นสะดวกสบายกว่าแต่นี้เรามองดูแล้วว่าเมื่อเราบวชเข้ามาเน่เห็นไหมพระพุทธเจ้าทางพระพุทธเจ้าปงผมเสร็จแล้วคองผ้ากาสาวะท่านอยู่ในเวียงในวังอยู่ในละแวกใกล้ๆนะ ทั้งฆ่าธาตุบริวารทั้งหลายทุกหมู่ทุกเหล่าคงจะหมุนเวียนกันเขาไปเยี่ยมเยียนแต่พวกพระพุทธเจ้าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าไหมแต่คงจะเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันนะั่นแหละถ้าพวกเราบวชอยู่ในเมืองในกรุงพอบวชเข้ามาแล้วกัอนนะอยู่ในวัดศาลาดิเต็มอยู่ในวัดบ้านในวัดบ้านตัวเองก็จริงอยู่พ่อแม่ได้ทําบุญทำทานแต่ตัวเองล่ะ <c oughs> ได้บุญได้กุศลให้พ่อแม่ได้ทําบุญไหมเราเป็นพระสมบูรณ์สมบูรณ์ไหมเราได้ภาวนาไหมเหมือนกับเราไปปว่วยอยู่ในโรงพยาบาล น, น, นะพอบวชเข้ามาแล้วกันะมาอยู่ในวัด <c oughs> ถ้าพี่ป้านาอาวงศาคณาญาติไม่มาเยี่ยมเขาก็กลัวจะตําหนิเขาลูกหลานบวชทั้งทีไม่ไปเยี่ยม ยามถามข่าว เ, เดี๋ยวก็คนนั้นมาเยี่ยม เ, เดี๋ยวก็พี่ป้านาอาลูกหลานของพี่ป้านาอามาเยี่ยมตัวเองก็ต่อนรับขับสู้ทั้งวีทั้งวันบวชมากี่วันส5บ้าวันญออาติพี่น้องมากๆ ม, มาเยี่ยมทุกวันทุกวันผลในสู่ก็เลยเหมือนกับตัวเองไปนอนป่วยอยู่โรงพยาบาลไม่ได้ทำจิตไม่ได้ดูจิตดูใจไม่ได้ภาวนาไม่ได้บาเพ็ญคุณงามความดีอะไร คิดให้ดูให้ดีสิที่หลวงพ่อพูดเนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่ถ้าเราบวชเข้ามาแล้วก็ปรีกตัวไปหาบอมเพนอยู่ในป่าจะได้ดูจิตดูใจของตนเองใจของเราเป็นยังไงออรู้เลยล่ะถ้าใครไม่รู้จักใจนั่นพอมาอยู่ป่าดงพงไพรเนี่ย็ว้าเหวอ้างว้างเงียบเหงาซึมเศร้านั่นแหละรู้แหละเห็นใจแหละเห็นใจตัวเองล่ะ เห็นความรู้สึกนึกคิดของตัวเองแล้วนะ่ะนั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านไปดูดูจุดนี้หละดูจุดความรู้สึกนึกคิดนี่นะเป็นยังไงมันเสียใจมันดีใจยังไงนี่แหละเพนท่านให้ดูจุดนี้ละดูที่ความรู้สึกนึกคิดนี่ น, นั่นแหะดูใจนะท่านนั่นแหละใจนะท่านหรือมนโนหรือผู้รู้หรือวิญญาณ ดูดูดูตรงนี้นี่แหละถ้าเรามาอยู่ในป่าดงพงไพ่เราจะมาเราจะเห็นตัวของเราดูเจ้าของดูเจ้าของดูความนึกคิดความรู้สึกนึกคิดของเจ้าของแล้วจะทำยังไงดูแล้วนี่พระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าพอดูเสร็จแล้วก็ให้กำหนดเอาตัวนึกคิดตัวนั้นแหละ ให้ภาวนากำหนดลมหายใจเข้าบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมโทตัวอตัวตว้วาวอ้างวังเงียบเงานซึมเศร้านั่นะนะเอาตัวนั่นแหละกำหนดลมหายใจเข้าบริกรรมพทหายใจออกบริกรรมโทพดุดโทพุทโทไม่ต้องตามลมเข้าไปในท้องแล้วก็ไม่ต้องตามลมออกไปข้างนอก ให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ที่ปลายจมูกบริกรรมพร้อมกับพุทโธนี่แหละพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาท่านบอกกล่าวจากนั้นใจของเราก็จะเข้าสู่ความสงบแล้วเป็นสมาธินี่มีสมาธิจิตใจที่เป็นสมาธิเมื่อจิตใจรวมสงบเป็นสมาธิจากนั้นก็นําจิตใจที่ผ่านสมาธิแล้วนั้น นำมาพิจารณาทางด้านวิปัชนาหรือด้านค้นคว้าทเเราจะเห็นด้วยตนเองเลยทนลพิจารณาอะไรในหลักธรรมคำสอนท่านก่อให้พิจารณาเรื่องร่างกายพิจารณาร่างกายคนเรามันหลงอะไรหลงร่างกายหลงร่างกายของตนเองคิดว่าตัวเองจะไม่ตาย คิดว่าตัวเองจะอยู่โชวฟ้าดินสลายคิดว่าตัวเอง เ, อเห็นคนอื่นตายกิอย่างงั้นอย่างงั้นแหละไม่ถึงใจแต่พอเอาเข้าจริงๆพอตัวเองเจ็บไข้ได้ป่วยเท่านั้นแหละถึงใจแหละใช่ไหยแต่ถึงยังไ ง, บา ง, งบางครั้งบางคราวมก็ช้าเกินไปเสียแล้วเพราะเราไม่ได้นึกคิดไม่ได้เตรียมการเอาไว้เพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นแหละพอทาคําสอน ท่านจึงบอกอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้ประกอบคุณงามความดีนะให้พิจารณาดูตัวเองนะท่านจะให้ดูใจดูใจดูความประพฤติของตนเองกำหนดลมหายใจเข้าบริกรรมพุทธหายใจออกบริกรรมโทนจากนั้นพอจิตใจสงบนิ่งเป็นหนึ่งนัติสันติปรัรงสุขขัง ความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเมื่อจิตใจผ่านความสงบแล้วเนี่ยนำจิตใจที่ผ่านความสงบนั่นแหละมาพิจารณาทางวิปัชนาคลี่คลายดูว่าใจของเรามันหลงอะไรมันหลงร่างกายมันหลงว่าร่างกายเนี่ยเป็นตัวตนของเราว่าร่างกายนี่มันจะไม่แก่เกิดแก่เจ็บตายนี่แหละ พอมาพิจารณาดูแล้วนะ่ยแยกส่วนแบ่งส่วนออกบันเนี่แยกยังไงกาแยกจะให้เป็นธาตุสีใช่ไหมกาเป็นธาตุจีก็อย่างที่พวกเราสวดธาตุจีก็คือดินน้ำํำลมไฟธาตุดินก็คือกระดูกที่มันแข็งของที่เป็นแข็งก็คือในร่างกายของเราเนะ่ยคือธาตุดินธาตุน้ําก็พวกเลือดเอ่อพวกเลือด พ, พ, พวกน้ําปัสสาวะพวกไขมันอนนี้ อัน น, น้ําลมกัลมในลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมใ น, ลกกกกในท้องของเรานะที่รองกูกากในท้องของเราธาตุลมธาตุไฟก็คือไฟคือทําให้ร่างกายของเราอบอุน่นร่างกายของเร า, เามีความร้อนเผาอาหารย่อยอาหารนี่แหละธาตุไฟ สรุปแล้วก็คือร่างกายของเรามีธาตุสี่ดินน้ํำลมไฟแต่ก็มีวิญญาณธาตุคือความรู้สึกเข้ามาครองมาปกป้องมาคุ้มครองมาอยู่กับดูแลธาตุสี็คือวิญญาณธาตุมาดูแลอันนั้นคือวิญญาณก็คื อ, คอนามธรรมเข้ามาอยู่ในร่างกายของเราแต่นามธรรมตอนนี้มันหลงพอมาอยู่ในร่างกายมันหลงหลงร่างกายว่า เป็นของตัวเองแท้ๆแต่ที่แท้เน่ยมันไม่ได้นะร่างกายนะมันไม่ใช่ตัวตนนะอีกสักวันหนึ่งมันก็แก่เจ็บตายในที่สุดอมันก็แปลสภาพลงสู่สดินน้ำลมไฟของมันนะใจนะอย่าไปหลงมันนะนี่แหละอันนี้เมื่อจิตใจของเราผ่านสมาธิจิตใจผ่านความสงบมาแล้วนะเราจะรู้ได้ด้วยตนเองน ะ, ะพระเนนลูกหลานทุกทุกองนะ เนี่ยให้ดูให้ภาวนาจากนั้นเมื่อใจของเราผ่านความสงบแล้วนะ่ะเราจะรู้ดูเจ้าของดูตนเองอย่างที่ว่านั่นน่ะ เ, เราก็จะปฏิบัติตนให้ถูกไม่หลงไม่ลืมตัวเองเราอยู่ในสถานะยังไงอยู่ในสถานะไหนเราก็ปฏิบัติตนถูกแล้วเนีเออไม่ลืมตัว เมื่อเราเป็นฆรวาสเราก็ทำให้ถูกต้องตามกฎกติกาฆราวาสเมื่อเรามาบวชเป็นพระเราก็ทำตนให้ถูกต้องในสถานะพระพระควรปฏิบัติตนอย่างไรวางตัวอย่างไรอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายศึกษานี่แหลเะเมื่อเราเป็นไปเป็นฆรวาสเราก็คิดดูให้ดีเราจะทำครวาสอย่างไงให้ดีที่สดุดอ แล้วก น, นกนึกทบทวนดูในอดีตอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงเราเดินถูกทางไหมเกินไปไหมถูกต้องไหมอนาคตเราจะเดินยังไงเราก็คิดวางแผนอนาคตอีกเราจะปฏิบัติตนอย่างไรสรุปแล้วก็คืออย่าตั้งอย่าพวกเราจะตั้งอยู่ในความประมาทให้ประกอบคุณงามความดีนะเพราะว่าชีวิตของพวกเราเนะี่ย ดูๆล้ำไม่ยืดเยาวไม่เที่ยงแท้แ น, น่นอนนะลูกหลานนะอย่างหลวงพ่ออายุเจ็ดสิบกว่าปีนะั้นจะเข้าเจ็ดสิบกว่าปีนะั้นหลวงพ่อมองดูแล้วไปข้างหน้าไม่รู้เป็นยังไงลิบหลีละแปดสิบกว่าปีกันคนแปดสิบเป็นยังไงเราก็เห็นตําหูตําตาของเราอยู่คนแปดสิบยิ่งคนเก้าสิบแล้วเรายิ่งเห็นได้ชัดอีกเออ มันไม่เป็นตัวของตัวอะไรแต่เนี่อายุถึงแปดสิบเก้าสิบผลนั้นชีวิตของพวกเราเนี่ยมันถึงจุดนั้นแล้วน่ะมันมีแต่ช่วยตนเองไม่ได้ต้องพึ่งพาอาศัยคนอื่นการพึ่งพาอาศัยคนอื่นนะั้เป็นยังไงมันไม่ใช่ว่ามันสะดวกสบายนะบางทีขยับออกจากที่ก็ไม่ได้ไม่ไปอย่างที่ตัวเองต้องการเออมันก็ทะลักไปเรื่อยลาดไปเรื่อยนะ เพราะอะไรเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยมันอยู่ในกฎอนิจจังทุกขังอนัตตา เ, เพราะฉะนั้นขอให้ฝากไว้กับพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะสรุปแล้วอย่ามาเกิดดีที่สุดจะทำยังไงจึงไม่มาเกิดเนี่ยมีแต่ภาวนาอย่างเดียวตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าที่ท่านพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำสั่งสอนให้พิจารณาดูให้ใจของเราเน่ะใจนั่นเป็น ไม่มาเกิดเราเมื่อใจิตใจของเราเป็นสมาธิเอเรานั่งสมาธิใจของเราเป็นสมาธิเราก็ดูใจของเราเอาใจของเราเป็นสมาธิดีดกันเนี่ยนะใจตัวนี้ะเป็นอเนจังของไม่เที่ยงทุกครั้งเป็นทุกอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ยึดมั่นถือมั่นใจของเราก็ปล่อยวางอา่านั่นแหละในเมื่อใจปล่อยวางใจบริสุทธิ์หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสนั่นแหละ อ, อไม่มาเวียนไหวตายเกิดขณะเลิศประเสริฐนะขณนะสัตยาติโธมลูกหลานนะถ้าหา ว, ว่ามาเกิดโอ้เกิดภพหน้าชาติหน้าก็จะเป็นนี่แต่มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ค่อยยังชั่วนะถ้าเราถาล่มไปทางกรรมชั่วนะเกิดมาเป็นสัตว์ติชน์เนี่ยเกิดเป็นอันไหนต้องเป็นอันไหนมันมีมากมายหลายอย่างแล้วเกิดการเกิดการตายของสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกเนะี่ยเพราะฉะนั้นพวกเรา เกิดมาในพบนิชาตินี้ได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้พบหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจา้าด้วยพวกเราท่านทั้งหลายจะตั้งอยู่ในความประมาทเนอะพวกเราที่เป็นพระนว ก, กะก็ เ, เหมือนกันเข้ามาสู่วัดของหลวงพ่ออยู่ด้วยความผาสุขอยู่ด้วยความตั้งใจโดยความภาวนาอย่าพูดอย่าคุยกันดีที่สุดทดลองอดอาหารดูสิเป็นยังไงเราจะได้รู้ ว่าการอดอาหารมันไม่มีอาหารกินคนหิวอาหารเป็นยังไงในเมื่อเราไปเป็นฆราวาสเราจะได้วางตัวถูกเออคนไม่มีอาหารกินเป็นอย่างนี้เราพอมีอยู่เอาเราเอาให้เขาแบ่งปันให้เขากินบ้างนี่แหละถ้าเราได้สังเกตได้ปฏิบัติตนดีแล้วน ะ, ะเราจะวางตัวถูกเพราะนั้นขอให้ พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะทั้งพระใหม่พระเก่านะั้นตั้งอกตั้งใจภาวนาปฏิบัติพวกเราก็ดูๆแล้วก็นะอะก็ไม่มีอะไรแต่ละวันก็นตั้งใจภาวนาเท่านะั้นผูกน้อยเป็นผู้น้อยผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ให้ปฏิบัติตามศีลตามธรรมตามหลักพระธรรมวินยัยเอสมัยเมื่อเราเป็นครวัตเราได้ยินเขาตําหนิพระสงฆ์เออ เราก็ตำหนิไปกับเขาแต่พอเรามาเป็นพระสงฆ์เราทำตนอย่างไรทำเป็นอย่างที่เขาตำหนิไหมนี่แหละเราต้องมองดูตนเองนะต้องทำให้ดีที่สุดนะให้อยู่ในหลักพระธรรมพินัยนี่แหละถ้าอยู่ในหลักพระธรรมพินัยตัวเองก็ปลื้มใจมีความภูมิใจชมตนเองไม่มีใครชมชมตนเองเพราะหอะไรเพราะเราไม่ได้ทำ ความชั่วเสียหายเยเราอยู่ในหลักพระธรรมวินยัยเรานึกนึกขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็สบายใจมีความสุขใจเพราะเราอยู่ในหลักพระธรรมวินยัยอยู่ใน เ, เป็นสาวกยศุบุตรพุทธชินโนรถเป็นลูกของพระพุทธเจ้ า, าพระพุทธเจ้าท่านสอนยังไงเราปฏิบัติตามตามทำคำสอนของพุท ธ, ธามีจะสบายใจสบายกายสบายใจนะลูกหลานนะเอาตอนนี้ไปเปิดเอนะ็มพีสามรัตีนนะ เอ็มพีสมฟังต่อเลยนะเอาลูกหลานนั่งสมาธินะั่นี่นะั่งขัดนั่งขัดสมาธิพอนั่งขัดสมาธิเรียบร้อยแล้วปนมมือขึ้นระหว่างอกไหว้ครูซะก่อนพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโอสังโฆสมจบจากนั้นเอามือลงพอมือลงกับหายใจเข้าบริกรรมพุทธหายใจออกบริกรรมโทให้ดูดู ดูผู้รู้ตัวนึกตัวคิดนั่นแหละนะอย่าไปคิดจะเป็นนึกไปทางอื่นนะ